ปาาราชญ์ในช่วงปีหนึ่งหจนถึงห้าแปดที่ผมอยากจะพญานเป็นผู้ช่วยคําถามถามแทนคนศึกษาด้กันว่าคือถ้าย้อนหลังไปไปีหนึ่งหกเนี่ยเออมันมีเหตุหรือแรงแรงจูงใจอะไรที่ทําให้ปาาราชญ์เนี่ยเข้ามาสนใจในงานเรื่องของประถมบ้านเมืองขนาดนั้นที่ทําให้ให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาคือถามก่อนทําไ ม, ามเอา้าทำไมศึกษาประเด็นคอาตามาย ตัวหนูเองใช่ไหมคะทีนี้เรเลือกไปห้าหัวข้อเพราะว่าอตอนที่ทำระเบียบวิธีวิจัยอ่ะท่านอาจารย์เลือกเวซ่ามาสอเขาก็ให้ทุกคนทำก็จะได้ส่บทควากับท่านก็เลือกท่านอาจจะส่วนหนึ่งรู้จิงหรือสารพัดนีมี1 4บี่ปีกลยชิดตรงนี้แล้วก็เหตุการณ์ว่าเนิงตอนเป็นสมิเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยว่าติดเอนนสืสารกันเหมือนกัน อาจารย์ก็มีพูดเรื่อสงสติวิธีแต่น้อยในเรื่องการเมือ ง, องมาก็เหลือว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นทําท่านพุทธทาสได้หลวงพ่อปัญญาได้แล้วก็ท่านบอได้แม่ชีสันตินีได้ถึวงพ่อ น, นาเสนอบวชว่าอาจารย์รับซื้อในหัวข้อนี้ฉะนั้นท่านก็มเมตตาไหนเธอมีอะไรก็ตอบท่านได้บวชปีอะไรเข้าเรียนปีหนึ่งแบวชปีหนึ่ตอบได้หมดีเอกสารก็เลือกตามหัวข้อนี้มาตลอดสอบผ่าน3บม ไว้เลือดสองคนเลือดจัตุรงค์นเลือดปลาจันทร์ตมาข้อมูลเป็นน้อยนะน้อยนะเกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับคือตมาก็สนใจเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองตั้งแต่ปีหนึ่งห้านะความสนใจเริ่มมีตั้งแต่หนึ่งห้าแล้วตอนนั้นอยู่มัธยมมศสามก็ติดตามข่าวค่าวเรื่อง ศูนย์นิติต่อต้าสินค้าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะเริ่มเริ่มตอนนั้นนะ่ะแต่ที่เกิดจากการอ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสืออาจารย์สุ ร, รักษ์แล้วก็ทําให้สนใจเรื่องสังคมก่อนครับก็จากสังคมก็ไปเรื่องการเมืองนะ ใ, ในฐานะที่มันเป็นผลกระทบต่อบ้านเมืองครับก็อ่านสังคมศาสตร์ปริทัศน์บ้างอ่านหนังสือของอาจารย์สุ ร, รักษ์ที่เป็นวารสารครับ อนาคตบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วชวนนั้นหนังสือพลเรือวาร ส, สารและเล่มระบาดของนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็เริ่มออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความสนใจเรื่องปัญหาการเมืองความเป็นผด็กการแล้วก็ยิ่งตา l o งนักศึกษสาสูญิสิทธิ์เนี่ยจับกระท่วงหลายครั้งปลายปีหนึ่งห้า ต่อต้านกฎหมายโบดดาเลยเนี่ยที่ ท, ท, ที่ของกระทรวงทุติธรรมแล้วก็ต้นปีมิถุนา16ก็ต่อต้านเรื่องการอธิการบดีราคมแหงเรื่องทุ่งใหญ่ในสว น, น, นอะไรเนี่ยนะนนหนึ่งมันก็มีความสนใจมาเพราะนั้นพอเกิดเหตุการณ์พอมีการประท้วงพอจาศุสษาที่เป็นกบหนดรัฐ ธ, ธรรมนูญเนี่ย เข้าใจตันท6ตุลามิถุน6ตุลา 1, มิถุน6เริ่มจากครับก็แล้วสายมีการประท้วงอันนี้สมรสาก็ไปร่วมครับก็ตอนนั้นก็มีความสนใจเรื่องอยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิาปไตยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นคือต้องการให้บ้านเมืองร่วมไม่ <c oughs> ไม่ใุ่ยุ่งผจการแล้วอยากให้มีประชาธิาปไตยเพราะฉะนั้นมันมีการกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผจกาลถมประพาสมากครับ จากตรงนั้นก็ทําให้พระจานทร์เขามาสูตรงนี้แล้วในช่วงนั้นนอกจากที่ที่พาาระจันทบอกว่าได้จีิงก็ส่วนแรง ใ, ใจมาจากวารสารหรืออะไรทั้งหลายที่ออกมานะฮะถ้ามุมมองในเชิงไม่ใช่ประชาธิปไตยเดียวแต่ว่าช่วงนั้นมันมีเหตุการณ์พวกเกี่ยวเรื่องความอายุตีทำความอะไรรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนี่ยก็สังคมศาสตร์ประวัติศา์ ปีห้าพูดเรื่องไทยเหลืองไัยเหลืองก็ไัยของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเรื่องความช่องว่างทางสังคมความยากไร้ของชนบทอาตมาออกค่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นความเหลื่อมล้ำนะในสังคมอาสมชันน้อมีค่ายออกไปเนี้ยเป็นคนแก่ นั้นมันก็มีกระตุ้นสํานึกของคนคนหนุ่มคนสาวที่อยากจะอยากจะเห็บ้านเมืองมันดีขึ้นครับแล้วก็เห็นว่าการเมืองก็เป็นเป็นตัวกีดขวาง ค, ค, ความเจริญของบ้านเมืองเขาเป็นประดิษ ก, การครับครับคราวนี้ในในในมุมมองของพระอาจารย์ต่อปัญหาตรงเนี้ยคือถ้ามองการเมืองเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันนะฮะจากยุคยุคสมมุติว่าจากที่เราว่า ได้ไปชาร์จตายมาแล้วแต่ทหารก็ยังยังแบ่งให้บางส่วนโยเฉพายุคปะเปงมันก็เห็นว่าอ่ะพระเอกเป็นท่านก็นักข้างบนนะฮะแต่นักการเมืองก็ว่ากันไปแล้วมันก็มีพัฒนาการของมันจนสู่ยุคชาตชายจนถึงยุคทักษิณเหตุการณ์บ้านเมืองจนถึงปัจจุบันก็ตามเอ่อมุมมองของพอาจารย์ต่อต่อทางการเมืองหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วตรงผลกระทบต่อวิธีมุมมองโลกของอาจารย์หรือวิธีคิดทั้งหลายจน จนเท่าที่อ่านดูคือพระอาจารย์ก็มีขมวดใจเรื่องเรื่องสิทธิบวลุชาชนต่อมาก็พอบวชก็หันมามุ่งเน้นเรื่องของพุทธภาสนาอะไรมากขึ้นแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเรื่องสันติวิถีซึ่งก็จะเห็นไม่น้อยอยู่เหมือนกันที่พระอาจารย์ได้ได้พยายามสื่อสารทางเอแนวคิดนี้ตรงนี้อยากให้อาจารย์ขยายความคือ ผ่านมา40ปีเนี่ยนะสรุปง่ายๆคือมองว่าการเมืองเนี่ยไม่จีิรังยั่งยืนนะ <c oughs> ไม่จริงรังหมายว่ามีขึ้นมีลงมีขึ้น <c oughs> มีลงเหมือนกับประโยคเปิดเรื่องในสามก๊ก <c oughs> บ้านเมืองสงบแล้วก็เกิดสุกสงครามครับสงครามสงบก็เกิดความแตก <c oughs> ก็รวมใหม่อนเออพราะนี่คือการเมืองมันเห็นแล้วไม่จีิรังยั่งยืนนะ <c oughs> แต่ไม่หมายความว่า หมดวังหรือท้อถอยกับมันนะเพราะเห็นความพัฒนาการคือมันมันขึ้นมันลงแต่ว่ามันมีลักษณะของพัฒนาการแบบแบบแบบเป็นเกลียวอะนะคือขึ้นแล้วก็ลงแบบรูปสปริงอ่ะแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงแต่ว่ามันมีพัฒนาการของมันแต่พัฒนาการมันไม่เป็นเส้นตรงนะมันขึ้นลงขึ้นลงอไงนะเนี้ยสี่สิบปีจะมาเห็นอย่างนี้นะ แล้วมุ่งส่งก็เป็นเป็นแบบแผนเดียว ก, กันกับทั่วโลกก็คือว่าการที่มันจะพัฒนาได้เนี่ยก้าเดินสองก้าวก็ต้องถอยหนึ่งก้าวใช่ไหมแล้วก็เดินอีกสองก้าวแล้วก็ถอยอีกหนึ่งก้าวเช่นประชาธิปไตยเนี่ยนะชักพักก็ต้องกลับมาเป็นปราช ก, การเดี๋ยแล้วก็กประชาธิปไตยใหม่นะมันก็ยัมีก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยมาข้างหลังคเป็นเช่นนี้ทั่วโลก ใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วนี่กำลังเป็นที่อียิปต์ที่ตัวนอกกลางหลายประเทศฝ mm hmm. รั่งเศสอังกฤษ ก, ก็ผ่านมาแล้วนะไ mm hmm. เพไปข้างหน้าล้วก็ถอยมาข้างหลังเนี่ยนะ mm hmm. ธรรมดาโลกเพราะว่าพัฒนาการมันจะอมีมันต้องมีแรงต้านนะครับจะไปข้างหน้าได้ก็มีแรงต้านของของอ่เาเรียกว่าคนที่ต้องการรักษา สถานะภาพเดิม status s ซ a t u s quo น, นั่นทมาคิมองว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยแล้วมันถอยหลังเนี่ยทำมาเปเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรที่ต้องมามาทอ้อถอยใช่ไหมครับก็คิดว่ามันก็ต้องไปข้างหน้าออกมาเรื่อยๆไปแล้วสง่งผลต่อต่ อ, ตอการมีส่วนร่วมของของข้าราชารนะครับต่อ เป็นการมีส่วนร่วมในพระอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ถึงว่าการสื่อไปนะฮะบทความหรือการทิศบรรยายทั้งหลายเนี่ยในเรื่องการเมืองหรือสังคมอันนี้มันมีผลต่อตอบทบาทพระอาจารย์ครับก็ในด้านหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นการเมืองตอนนี้ธรรมาก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกบร้อนอะไรกับมันนะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เป็นไปยอย่างที่เราปรารถนาคเพราะเห็นว่า สักวมก็ต้องดีขึ้น <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาสนใจคือว่าทํำยังไงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหลักการพื้นฐานเนี่ย <c oughs> เช่นสันติวิธี <c oughs> การยอมรับความแตกต่างนะสิทธิในการที่จะแสดงความเห็นที่แตกต่างเนี่ย <c oughs> มันควรจะมีเป็นพื้นฐาน <c oughs> คือต้องรักษาพื้นฐานมันเอาไว้นะ การเมืองมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าพื้นฐานมันดีเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการไปได้เรื่อยๆแต่ใช้วิธีการความรุนแรงเพื่อจะให้ได้การเมืองที่ต้องการอาตมาก็มอกว่ามันเป็นถ้ามันสำเร็จมันก็แค่ประโยชน์เฉพาะหน้าซึ่งจะไม่จรังเพราะว่าขาดพื้นฐานที่มันของพื้นฐานที่มันคงถึงที่สก็คือหนึ่งนะเรื่องคุณธรรม ที่มันกลายเป็นวัฒนธรรมที่มันกลายเป็นวัฒนธรรมนะนะสและตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เกิดสถาบันทางสังคมและการเมืองครับที่จะรองรับความเป็นประชาธิปไตยให้ต่อเนื่องครัือไปแท้แต่ไม่ได้หมายถการเลือกตั้งครับเลือกตั้งแต่ว่าสถาบันทางสังคมการเมืองไม่เข้มแข็งวัฒนธรรมเนี่ยอ่อนแอมันก็จะล้มเอ่ยแบบอียิปต์เนี่ยนะครับ มีอาหรับสปริงแล้วก็คนลูกคือมีไปใช้ใตายเสร็จแล้วก็พังทื่อลงมาตรนนี้ก็เป็นประเด็การอยู่แล้วเพราะว่ามันมันอ่อนมันมีเลือกตั้งแต่ว่าสถาบันทางสังคมการมันอ่อนรัฒนธรรมให้เข้มแข็งครับเพราะวัฒนธรในทีนี้หมายถึงเรื่องของประชาธิปไตยเสรีิทธิภาพคุณธรรมแล้วก็สันติวิธีซึ่งอาจารย์ป่วยสุ่ง่ายๆสันติประชาธรรมเนี่ยจมาว่าสรุปความ ได้หมดเนี่ยคือหนึ่งมันต้องเป็นสันติวิธีสองมันต้องมีพื้นฐานที่ธรรมะครับ <ทะ S 2> และธรรมะเนี่ยไม่ได้แค่มาถึงค่านิยมหรือวัฒนธรรมแต่ <ทะ S 2> มันต้องเป็นมันต้องก่อรูปเป็นสถาบั น, นรองรับด้วยครับตอนนี้เจ้าป่าใช้ตายเนี่ยค่ะสองตัวเนี่ยคือหนึ่งวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องของใจใช่ไหมครับ <ทะ S 2> คุณธรรมสองสถาบันซึ่งมันเป็นเรื่องของปัจจัยทางสังคมการเมืองและโครงสร้างครับ มันถึงจะเกิดการเมืองที่ดีงามเป็นประชาธิปไตยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาเพื่อให้ความสําคัญกับสองตัวนี้วัฒนธรรมแล้วก็การสร้างสถาบันครับเตอนนี้อาตมาก็ไม่มีปัญญาจะไปสร้างสถาบันอะไรได้นะครับก็คิดว่าเออการสร้างการพูดถึงเรื่องคุณนธรรมเพื่อการเป็นพัฒนธรรมเนี่ยมันจะมันจะมีส่วนในการวางรากฐานของสังคมประเทศชาติได้ นี่ผมเรียนถามพระอาจารย์ต่อว่าถ้าเราแบ่งแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ในท้องคนอย่างเช่นรัฐและการเมืองนะฮะซึ่งอนันเนี้ยเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเหนือไปก็อาจจะเป็นรัฐบาลปัญญาชนประชาชนทั่วไปหรือผู้ประทับถ้าเราต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรมในเรื่องพัฒนธรรมเข้าไปอยู่พระอาจารย์มีความเห็นว่ากลุ่มต่างต่เหล่านี้มันควรจะสื่อเขาอย่างไรหรือว่ากลุ่มไหนที่พระอาจารย์มองเห็นว่า ถ้าทำต้องทำอํำตรงนี้น่าจะมีน้ําหนักมากกว่าหรือประสบการณ์มากกว่าจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มองเป็นกลุ่มนะครับอาตมามองในเรื่องของปัจจัยในเชิงโครงสร้างมากกว่า ค, คือคนเราเนี่ยนะมันจะมันจะซื่อสัตยสุจริตหรือไม่เนี่ยส่วนหนึอ่งอยู่ที่คุณธรรมครับอีกส่วนอยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมครับเช่นถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยต้องอยู่ในที่สว่างเนี่ยไอการที่จะทําทอะไร น่าเกลียดเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมรหรือว่าอยู่ในที่ที่มีการมีการ ม, ม, มีมีระบบที่เรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยมันก็ทํำอะไรน่าเกลียรดลําบากใช่ไหมอัตมาไม่ได้มองว่าต้องมีคนดีในนั้นหรือต้องทําให้คนกลุ่มบางกลุ่มเป็นคนดีเช่นนักการเมืองคนเดียวอัตมาคิดว่าอันนั้นไม่สาคัญเท่ากับว่าเราสร้างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมหรือโครงสร้าง ที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องอต้องทําตามกติกาซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหม ค, คืออย่าว่าอะไรเล ย, เลยแม้กระทั่งพระเนี่ยนะผู้เจา้าพรกคนที่มาบวชเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมเนี่ยนะปราถนาพ้นทุกข์ผู้เจ้ายังไม่ไว้วางใจผู้เจ้าจะต้องกําหนดโครงสร้างที่เรียกว่าวิเนยขึ้นมาครับเพื่อกํากับพฤติกรรมครับให้ อยู่ในล่องในลอยครับเช่นห้ามขออาหารญาติโยมจะมาจะต้องมีข้าวขอไม่กี่ชิ้นครับจะฉันอะไรได้ต้องมีคนถวายคอันนี้คือกติกาเพื่อที่จะกําหนดพฤติกรรมของพระเนี่ยนะซึ่งเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับให้ให้ประพฤติตัวเนี่ยในทางที่ส่งเสริมคุณธรรมครับนี่ขนาดท่านมุ่งการพ้นทุนันมาบวชเพื่อการบ้นทุกขนั่นงต้องมีกติกาคุมเลย และนักการเมืองคข้ า, ขาราชการนะ <c oughs> พวกนี้ไม่ได้สนใจเรื่องคนทุกอะไรนะ <c oughs> พวกนี้สนใจคนทำก็สนใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวครับ <c oughs> ยิ่งต้องมีกติกาซึ่งอาตมาคิดว่าหมดคุมหมดนะไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองนะ <c oughs> ข้าราชการก็เหมือนกัน <c oughs> นะครนทุกคนทุกวงการเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีกติกาหรือโครงสร้างที่ทําให้เขาเนี่ยส่งเสริมให้เขาเป็นคนดีครับแล้วปัจจัย ที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยพอจะขยายความที่เป็นเป็นรูปธรรม ท, ที่แล้วก็รู้สึกที่พระอาจารย์ได้ได้เคยนําเสนอนให้กับสังคมหรือได้ไดรือว่าอะไรบ้างที่ที่ควรจะทําให้เระว่าให้อยู่ในที่สวรรคก็ก็ก็กติกาเช่นจริงๆบางส่วนก็เป็นกฎหมายครนะกฎหมายเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่อง เ, อ เ, พอเพื่อเพื่อที่ควบคุมพฤติกรร ม, ก ฎ, มรรกฎหมายเกี่ยวเรื่องคอรัปชันกฎหมายเกี่ยวเรื่อง การกฎหมายเกี่เรื่องทรัพย์สินใช่ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ร, รวมถึงเหมือนที่อรพูดเมื่อกี้เนี่ยระบบที่มันมีการคานกันใช่คนเนี่ยไม่ใช่จะมีอำนาจอย่างเดียวจะต้องมีการตรวจสอ บ, สอบใช่รัมมีการตรวจสอบภายในระบบซึ่งในระบบบัญชีมันมีอยู่แล้วนะไอุ้ด องค์กรธุรกิจถ้าไม่มีการตรวจสอบนะก็พังเช่นคนถือเงินเนี่ยนะคนถือเงินกับคนใช้เงินมันควรจะมีคนละคนกันใช่ไหมคนถือเงินอันหนึ่งคนที่เอาเงินไปใช้เนี่ยอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นเช็คอันบาลาัง์ใช่ไหมนะนี่คือคือระบบที่ว่าอย่างซึ่งคราวนี้ในสังคมเนี่ยนะมันก็ต้องมีมันต้องมีทั้งระบบมันต้องมีระบบที่กํากับหลายชั้นเช่นถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องมีระบบ ร, รัชการที่จะมีการตรวจสอบได้แล้วขณะเดิกนการเปิดโอกาสให้ภายนอกเข้ามาตรวจสอบเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ามาตรวจสอบเพราะนั้นต้องโปร่งใสมันจะมีระบบหลายชั้นนะที่จะทำให้คนเนี่ ย, ยจะต้องซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมไม่ใช่แค่มีคุณธรรมนะแต่ว่าต้องต้องต้องเป็นมีระบบที่ไม่ไม่ส่งเสริมให้ประพฤติทุจริตได้ แล้วมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกลไกในสถาบันหรือองค์กร<ช>ที่บุคคลเราน่าเกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงกลไกอื่นในสังคมวงกว้างที่จะเข้ามาสอดส่องดูแลเช่นสื่อมวลชนที่อิสระเสรีจะมาหรือว่าองค์กรอิสระที่จะเข้ามาดูมีอำนาจในการเข้ามาตรวจสอบใช่ไมนอกนจากการการตรวจสอบภายในองค์กรนั่นเอง<ช><ช>แล้วอย่าง อย่างในประเด็นพวกเนี้ยผมอ่านในเอกสารเห็นมีพระอาจารย์เนี่ยไปเป็นทักรมการตั้งแต่สมัยท่านท่านนั้นตนะฮะเรื่อง ท, ง ท, งทัท้งการมะนัชชันหรือทั้งหลายพวกนี้ยเ อ, อผมมองว่าพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการที่จะสร้างสร้างสร้า ง, รางกระบวนการตรวจสอบทั้งหลายกระบรวนการตรวจสอบและส่งเสริมส่งเสริมให้ก็คือตรวจสอบยัง เ, เป็นเป็นเรื่องลบ ตรสอบเพื่อกำกับให้ทำชั่วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่มันต้องส่งเสริมด้วยส่งเสริมให้ทำความดีหรือว่ามีเปิดพื้นที่ให้กับการแก้ปัญหาความขัดแยง้งโดยสันติวิธีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมกรณีภาคใต้เนี่ยตระหนัก ว, ว่าสิ่งที่มันขายคือคมันไม่มีพื้นที่ในการที่จะให้คนที่มีความเป็นแตกต่างกันเข้ามาครับอันนี้รวมถึงการกระจำหน้ากระจำหน้าให้กับคนในท้องถิ่นใช่ไหม เพราะว่าถ้าไม่กระจายอำนาจเนี่ยอำนาจมารวมศูนย์เนี่ยกับใครเนี่ยมันมักจะเกิดปัญหาที่หลอ d a c t o ัพูดว่าเนี่ย power tends to corrupt absolute power c o r r u p t absolutely ใช่ไหม <c oughs> คือเนี่ยคนดีเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในในอำนาจที่มันถึงแม้ถ้าหมาอยู่ในอำนาจที่มันรวมศูนย์เนี่ย<ป>โอกาสที่มันจะเสียคนมันมีเยอะใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีระบบที่มันกระจายอำนาจเพื่อมีการตรวจสอบแล้วก็ เพื่อประสิทธิภาพของการแช่งหน้าคือแบ่งบาวภาระอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งรวมทั้งการมีพื้นที่ในการที่จะแสดงความเห็นครับที่แตกต่างหรือว่าต่อสู้ต่อสู้ในเชิงผลประโยชน์ครับคือทุกกลุ่มเนี่ยก็ต้องมีการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองแต่มาว่าไม่ไมีให้เรื่องเสียหาย ใ, ใช่ไหมแต่ว่าทำไงถึงจะให้มันมีการ มีพื้นที่ที่จะต่อรองรอย่างยุติธรรมเสมอภาคเพราะทําไม่มีพื้นที่แบบนี้คนก็ต้องหาไปใช้วิธีที่ดุรแรงครั บ, รบนะนี่ผมขอยนุาตเลียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างสมมติ ว, ว่าในบทบทตรพระอาจารย์เรื่องนี้สมมติ ว, ว่าการเขียนบทความลงนะฮะไม่ว่าจะลงในในหนังสือพิมพ์กะตามนิสสารก็ตามหรือเป็นหนังสือก็ตามหรือก็ไปออกบรรยายหรือการไปประชุมทั้งหลายในครับการทั้งหลาย ในการในการที่มีบทบาทในแต่ละรูปแบบพาจั์มองว่ารูปแบบไหนที่ค่อนข้างจะได้ผลหรือมีอิทธิพลหรือว่ามีผลต่ อ, ตอการเปลี่ยนแปลงให้ในทางที่ดีขึ้นมันคืออาตมาเนี่ย ที่อัตตาสนใจจริงๆนะมันมีเรื่องเดียวคือสันติวิธีนะไอประชาธิปไตยต่อต้านคอร์รัปชันอะไรเนี่ยตมาเนี่ยถือเป็นเรื่องรองครับอตมาเนี่ยแล้วก็ในฐานที่เป็นพระเนี่ยครับสิ่งที่เราพูดได้ดีที่สุดเนี่ยหรือว่ามีมีมีสิทธิ์ที่จะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของสันติวิธีครับะไปพูดลรื่องประชาธิปไตยมันก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไห ร, ร่ใช่ไหมงั้น พระเดชพระธรรมเนี่ยพูดจะพยายามจำกัดพูดเรื่องสันติวิธีแต่สันติวิธีของธรรมเนี่ยมันขยายกว้างก็คือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณธรรมอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการวางระบบนะอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยนะนก็คือการที่ส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีรรหรือว่าเป็นระบบที่ไม่นําไปสู่ความรุนแรงเพราะถ้ามันเป็นปฏิ ก, กิริยาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความรุนแรงเทวตมาเห็นว่าประชายตาตยมันดีตรงที่ว่า มันจะช่วยทําให้การแก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างสันติถ้าประเด็จการแล้วเนี่ยมันมักจะลงเอยด้วยความรุนแรงครนะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องหนึ่งกับสมัยนี้เนี่ยเด็จการเมื่อไหร่มันก็รุนแรงนะทั้งเพื่อรักษาหน้าเด็จการเอาไว้แล้วก็ทําให้คนเนี่ยที่ถูกกดขี่เนี่ยก็ต้องต่อสู้ขึ้นมาอย่างสุสีตุลาอย่างพฤทสภาธมินี่นะเะั้นเนี่ยจะมาสนใจจริงเนี่ยคือเรื่องของสันติวิธีนะประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่ สิ่งที่จะเอื้อให้เกิดสันติวิธีอันนี้สันติวิธีที่ธรรมาพยายามพยายามที่จะส่งเสริมเนี่ยธรรมาพบว่ า, าการทําความเข้าใจกับคนที่มีอำนาจนี่หรือผู้หรือผู้ที่มีหรือผู้ที่ใช้อำนาจเนี่ยมันจะมันจะช่วยได้ดีและการขเข้าใจเนี่ยที่ธรรมาเคยมีประสบการณ์เนี่ยหรือมีโอกาสคือการไปอบรมรบอบรมกับต่อชอดดอ อบรมกับทหารอะไรเงี้ยตำรวจเนี่ยครับนะเรื่องสันติวิธีแต่จริงๆเนี่ยนะมันต้องทําต่อเนื่องครับนะซึ่งถ้าทําให้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับอมีส่งผลน้อยครับแล้วมาคิดว่าเนี่ยการที่เราเราไปสื่อสารกับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่แชมป์นานมันช่วยได้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่จะมาถนัดเนี่ยคืองานเขียนครับนะ แล้วก็ที่คนรู้จักส่วนใหญ่นี่ยก็เพราะงานเขียนแต่ถามว่า ง, งานเขียนเนี่ยมีอิทธิพลมากไหมก็อาจจะมีอิทธิพลในทางความคิดครับของให้แก่คนที่เขาเขาหานมาสนใจครับการใช้สันติวิธีครับแต่ว่ามันจะมีผลต่อผู้มีอำนาจไหมแต่มาไม่เชื่อมันมีผลนะครับอาจารครับมันมีคําอยู่หลายคำนะอย่างเช่นก็จะพูดถึงสันติวิธีเราได้ยินคําว่าสันติสุข แล้วก็สู้พระอาจารย์พุทิคําว่าสันติประชาธรรมของอาจารย์ปูนสามคํานี้อาจารย์มองมองสันติสุขเป็นเป้าหมายครับในทรรพุทธศาสนานเนี่ยนะเป้าหมายกับวิธีการต้องไปด้วยกันจะจะมุ่งไปสู่สันติสุขก็ต้องใช้สันติวิธีครับเพราะถ้าไม่ใช้สันติวิธีใช้กําลัง มันก็ไปถึงสันติสุขไม่ได้ก็เหมือนกับผู้เจ้าแต่ว่าจะเข้าถึงความสุขต้องใช้วิธีการที่เป็นสุขก็คือไม่ทรมานตนครับหอันนี้อันนี้ผู้เจ้าพูดไว้เลยนะแล้วก็แล้วก็ชี้เห็นด้ซ้ำว่าเคยเปรียบเทียบว่าผู้เจ้าเนี่ยกับกับพระเจ้าเิ็นวิษาเนี่ยพระองค์เนี่ยมีความสุขมากกว่านะ เดีวไปคิดว่าพระเจ้าปิมิษานี้มีเงินมีทองมีอะไรมีความสุขไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้ามีความสุขมากกว่าครับและที่พระเจ้ามีความสุขมากกว่าเพราะว่าเข้าถึงด้วยวิธีการที่เป็นเป็นสันติสุขเพราะน่าจะมาคิดว่าเนี่ยสันติสุขเนี่ยนะมันต้องเข้าถึงด้วยวิธีการที่สันติคนที่บอกว่าอยากจะให้โลกมีสันติสุขแต่ว่าใช้ความรุณแรงก็มีเยอะฮิดเลยเป็นคนหนึ่งนะแต่มันก็ไม่สุขจริงใช่ไหมก็ฝ่ายหยาบ ทำให้ปลดปล่อยชาวโลกแต่ใช้พแรงล่าสุดเนี่ยเมื่อเจะว่าไปเลยเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีญี่ปุ่นคนหนึ่งก็ไปแทงคนแก่ในบรรพคนชราตายไปสิบกว่าคนถึงยี่สิบเสร็จแล้วก็ฆ่าเสร็จก็ไปอทวิตบอกว่าขอให้โลกนี้มีสันติสุขอยากปลดปล่อยใช่มหมขอเลี้ยงมีสันติสุขอะเนี่ยแต่ว่าไปฆ่าเขาเนี่ยมันจะสันติสุขจริงไหมไอ้คนที่พูดสันไอ้คนที่พูด ขอใหโลกนี้เป็นสายสุขเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มือเพื่อนเลื่อก็ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าแต่ว่าจะเข้าถึงสายสุขได้ใช้กินต้องสันติวิธีครับ <c oughs> สันติประชาธรรมเนี่ยนะมันก็สอดคล้องกับมันก็ไปก็ ก, กยย็ยืนอยู่บนหลักการ <c oughs> นี้ก็คือว่าจะต้องใช้สันติวิธีจึงจะเข้าถึงสันติสุขได้อาจาป่วยท่านก็เน้นอยู่เสมอครับท่านผู้ว่านี่ ต้องถือว่าธรรมะเกลื่อนอำนาจไม่ใช่อำนาจคือธรรมครับ Right is might ไม่ใช่ might is right นะตอนนี้เนี่ยนะอำนาจคือธรรมแต่จริงๆเนี่ยเราทําให้ธรรมเนี่ยเื่อนอำนาจใช่ไหมเพราะแต่ในสิ่งที่ที่เราได้ยินบ่ยบอยๆก็คือว่าอ๋อฉันได้รับการเลือกตั้งมาได้รับอำนาจจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ย ฉันจะทำอะไรก็ทำได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ที่ที่มักจะเห็นไม่บ่อยน ะ, ะเขาถือว่าเขาได้รับสิทธิ์ได้รันฉันทำนู่นมาจากประชาชนซึ่งไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าอไอ้สิ่งที่ทำอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ใช่ไหมรพระอาจารย์กรนีผมอยากจะเรียนเลยนถามขอวงพ่อพระาจารย์ว่าอย่างในยุคช่ปัจจุบัน ที่เร า, เาพบสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดความแตกแยกนนะพระอาจารย์คิดว่าแนวคิดสันติวิธีเนี่ยนะนะซึ่งพระอาจารย์บอกว่าส่ว น, นก็คือต้องให้ผู้มีผู้แชมปหน้าหรือมีหน้าได้เข้าใจที น, นี้เมื่อเมสักครู่พระอาจารย์พูดถึงว่าโอเคพระอาจารย์ได้ไปอบรมให้กับตำรวจทหารหรือหรือต่อชดอะไรก็ตามแต่คนที่สั่งหรือคนที่แชมป์หน้าจริงๆอะมันคนอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแหละ ันในเงื่อนไขหรือการปัจจุบันเนี่ยสติวิธีเนี่ยจะนําไปสู่สันติได้อย่างไรหลวงพ่จักท์ก็สันติวิธีจะนําไปสู่สันสันติสุขได้อย่างไ ร, รใช่ไหมก็เพราะว่าเมื่อใช้สันติวิธีเนี่ยไม่มีการฆ่าไม่มีการทําลายข้าของเอาฆ่าไม่มีการฆ่าเนี่ยให้ให้ต้องหรือว่าทําให้บาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันก็ทําให้ การที่อีกฝ่ายนี้จะโกรธแค้นแล้วก็ใช้ความรุนแรงตอบโต้ก็ไม่มีใช่ไหมเนี่ยมันช่วยลดความขัดแย้งช่วยลดโอกาสในการใช้ใช้ความรุนแรงคเพราะว่ามันไม่มีคนบาดเจ็บล้มตายดังที่วิธีเนี่นะพร้เจ้าบอกว่าเนี่ยเวรย่อมไม่อาจระงับด้วยการจองเวรใช่ไหมถ้าใช้ถ้าถ้าจองเวรเนี่ยนะมันก็ไม่จกไม่สิ้น อันนี้เนี่ยสันติวิธีเนี่ยมันคือการที่ผู้ต่อสู้เนี่ยยอมยอมที่จะถูกกระทํามากกว่าที่จะเป็นฝ่ายกระทํำเข า, าและผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยนะถ้ากว่ายังมั่นคงในสันติวิธีถ้ายัางพองมั่นคงถ้ายังมั่นมั่นคงในสันติมันก็จะทําให้คนที่เป็นกลางเข้ามาสนับสุดการต่อสู้ของนักสันติวิธีซึ่งสามารถจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับขณะเดียวกันถ้าหากว่าผู้ที่ถูกกระทําเนี่ยยังยังมั่นคงสันติวิธีไม่ใช่ความรุนแรงไอ้ผู้ที่กระทําเนี่ยมันกระทามันทําได้ไม่บ่อยหรอกไปตีคนมือเปล่าเนี่ยนะมันตีได้ไม่นานใ ช, ใช่ไหมแล้วถ้าอี ก, อกฝ่ายยังยงยอมให้ตีเนี่ยนะสุดท้ายไอ้ฝ่ายที่ตีก็ต้องเลิกใช ม, มันทําไม่ได้เพราะว่ามนโนทําสํานึกของ ผู้คนมีทั้งนั้นสัน ต, ติวิธีเนี่ยมันมันมันมีพลังอยู่สองอย่างนะมันมีพลังทางคุณธรรมรที่ทําให้ผู้ที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยต้องอับอายหรือว่าต้องยุติอย่างที่คานทีได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเนี่ยไอ้คนที่ใช้ความรุนแรงกับคานทีหรือชาวอินเดี ย, ยเนี่ยมันทําไม่ได้นานใช่ไหมสองที่ทําไม่ได้นานสุดเพราะว่าประชาชนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาทนไม่ได้ เขาก็ด่าเขาก็กดดันใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องเลิกเพราะถ้ายังทําต่อไปเนี่ยจะสูญเสียความชอบทำครับอันนี้เป็นประเด็นที่สามคือสันติวิธีประเด็นที่สองคือว่าสันติวิธีไม่มีพลังทางการเมืองครับคือมันสามารถจะทําให้ผู้ที่ใช้กำรุนแรงเนี่ยสูญเสียความชอบทำ ค, คนมีอำนาจเนี่ยนะมันต้องไม่ใช่ว่ามีปืนเท่า น, านั้นถึงจะใช้ได้ครับมันต้องมีความชอบธรรมครับแต่การทุกทุกคนเนี่ยนะ ถ้าจะอยู่ได้อย่างยืนต้องสร้างความชอบธรรมสริตเนี่ยสร้างความชอบธรรมด้วยการพัฒนาประเทศครับแต่ไ่มถ้าประเทศพัฒนาเนี่ยคนก็สะสมสริตตอไปถึงแม้ว่าจะจับราชการแต่ทุกคนก็ได้ประโยชน์หรือปรับอันดพานนะปรัได้ไม่ได้แต่คนเห็นว่าเออปรับได้เขาก็สะสมสริตนี่คือความชอบธรรมใช่ไหมสนองพระภาคก็เหมือนกันประยุกต์ก็ต้องสร้างความชอบธรรมจะมีจะมีปืนอย่างเดียวไม่ได้ จะมีอาวุธยิงกัไม่ได้และความชอบธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณเนี่ยนะต้องมีคุณธรรมระดับหนึ่งและแต่ถ้าคุณเนี่ยไปฆ่าคนที่เามือเปล่าเนี่ยนะสุดท้ายคนก็ไม่เอาคุณแต่การทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยการยอมรับของประชาชนฮิตเลอร์ก็เขาเคยพูดนะว่าฮิตเลอร์เนี่ยมันต้องอาศัยการยอมรับของประชาชนเมื่อแต่ก็ตามที่ประชาชนไม่ยอมรับฮิตเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วฮิตเลอร์ก็อยู่ไม่ได้จริงๆ แล้วเนี่ยถ้าฝ่ายที่ใช้คนรุรนน่นแรงยังใช้ยังใช้คนรุ่นแรงต่อไปกับคนที่ไม่ไม่ใช่อาวุธมือเปล่าเนี่ยความชอบทองเขาก็จะหมดไปประชาชนก็จะหันหน้าหันหลังให้เขาแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้อย่างมาคสเนี่ยนะก็ต้องเพนไปฮาวายหลังจากที่ประชาชนไม่ยอมรับเขาวิโรธเซวิกเนี่ยนะหรือว่ามูบารังเนี่ยก็สูญเสียความชอบธรรม ของประชาชนก็ไปฆ่าคนบริสุทธิ์ไปฆ่าคนมือเปล่าก็ต้องลงจากอำนาจนี่คือพลังของสถติวิธีไงซึ่งถ้าเกิดว่าทำเงี้ยใช้วิธีใ น, ในการต่อสู้เนี่ยนะมันก็ทำให้บ้านเมืองเนี่ยนะเวลามีความขัดแย้งเนี่ยมันก็แก้กันด้วยการใช้เหตุใช้ผลหรือว่าอย่างมากเนี่ยก็ใช้กำลังเข้าไปกดดันแต่เป็นกำลังที่ไม่ใช่อาวุธใช่ซึ่งมันก็นําให้เกิด การที่สุกได้ง่ายความขัดแย้งก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีที่สันติดีกว่าที่จะไปไ ป, ไปใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังทหารไปปราบหรือว่าเอาปืนไปยิงผู้นําเขาเพราะฉะนั้ น, นในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เรเห็นก็คือว่ามีพลังมวลชนทั้งสองฝั่งแต่ว่ามันก็มีมือที่3 ม, มีอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่การประท้วงําลังมวลชนเนี่ยทำได้นะ ทำได้แต่ว่าสิ่งที่จะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพ่งพ้มนะก็คือการที่ฝ่ายนั้นเนี่ยใช้ความรุนแรงหรือมีภาพว่าฝ่ายนั้นใช้ความรุนแรงอันนี้กระท่วงปีห้าสามถึงปีห้าเจ็ดเนี่ยนะมันก็มันก็เกิดจากมันก็สู้กันที่นึงเนี่ยว่า ใครเป็นฝ่ายใช้คนรุนแรงใช่ไหมฮะถ้าฝ่าย ใ, ใช้คนรุนแรงเนี่ยประชาชนก็ไม่เอ า, าใช่ไมพระอาจารย์คนที่เรียนเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าในในการสื่อสารพระ อ, อาจารย์นี่ก็เห็นพัฒการนะอาจารย์เขียนบทความหลังก็ผ่าน facebook ผ่านโซเชียลมีเดียพรอาจารย์มุมมีมุมมองการใช้สื่อต่างยังไง ตอนนี้จตมาไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยมีศรัทธากับ f a c e b o o โซเชียลมีเดียเพราะว่ามันไปมันไปกระตุ้นความโกรธความเกลียดความกลัวให้มากขึ้นนะ เ, เดี๋ยวนี้เนี่ย a c e b o o k เนี่ยมันเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะจะดา่าจะทำลาย<ำ>นะแล้วก็เผยแพร่ข่าวลือข่าวลือข่าวลวง เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่รู้ว่า 50% ที่เอาเอาเอาเอาถึง 50% เอาว่าอย่างน้อยเนี่ย 10% ใน a c ซ b o ๊ k นี่นะมันมีข่าวเท็จนะ อ, อาจจะไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ได้เช่นกินทุเรียนแล้วเนี่ยลดไขมันได้งก็ <c oughs> เชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะเพราะเพียงเพราะมันอยู่ใน Facebook นี่ไงใช่ไห ค, คือแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่สนใจว่า คุณพูดอะไรครับหมายความว่าไม่ได้สนใจว่าคุณมีเหตุผลอะไรในการพูดหรืออัปโหลดแต่เขาจะถามว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันถูกใจเขาไหมนะเป็นพูดเดียวเขารู้เปล่านะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้ามันถูกใจเขาเขาก็จะเอาเอาข้อเอาสิ่งที่พูดเนี่ยไปด่ายฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าไม่ถูกใจเขาเขาก็จะด่าคนพูดคนเขียนโดยที่ไม่ไม่ได้ถามว่ามันจริงไหมมันถูกไหม เพียงแต่ว่าเพียงแต่เพียงแต่เพราะว่ามันไม่ถูกใจเขาหรือว่ามันไม่ได้เป็นประโย์กับฝ่ายเขาใช่มตอนนี้คนไม่สนใจไม่ได้สนใจความถูกต้องหรือว่าเหตุผลในที่เขีนกี่ที่เกี่ยวกับการเมืองนะเขาไม่สนใจแล้วเขาสนใจว่าเป็นพวกเดียวกูเปล่านะถ้าคนละพวกกูก็ด่า คือแม้จะถูกกูก็ไม่สนใจนะแต่ถ้าผู้เดียวกูก็เอาถ้าถ้าหาว่าพูดดีก็เอาไปดา่าอีกฝ่ายหนึ่งครับง้ต่อมาตอนหลังก็ไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเขียนอะไรเลยนะตรงนี้จะแก้เลยครับฮะที่ผู้ของกูเนี่ยพวกของมึงเด่ยคือมีการแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยโดยที่ไม่ใช่มันแก้ได้แต่มันยังไม่ตอนนี้มันมันมันมั น, ม, นมันไม่เป็นกระแสะเนี่ยมัน มันมันถูกปลูกปั่นมากครับคนมองทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองเป็นหมดครัใช่ไหมคนมองทุกอย่างเป็นเรื่องการเมเืองหมดทุกเรื่องครับนะเรื่องดาราเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็เวลาดาราพูดอะไรไปเนี่ยค่อยดูว่าไอ้ดารานี่เหลือหงหรือแดงนะถ้ามึงคนเราเสียกูกูด่าทั้งที่ทังที่ดาราคนี่อาจจะไปพูดเรื่องอื่นก็ได้นะไม่แต่พูดเรื่องการเมืองนะพูดเรื่องไปเที่ยวไปแรงต่างนะครับแต่ถ้ามึงคนเราเสือกูคนเราเสือกูด่านะนะ ไปไปให้มองมองไว้เลยว่าอย่างนี้ถ้าพูดเดียวกูโอเคกูชม <Okay. S 1> ใช่ไหมครับคือทุกอย่างถูกโพลิติไซส์สมดตอนนี้ครับทุกอย่างเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันถูกโพลิติไซส์ไปแล้วใช่ไหมที่เคยมันมีข่าวเรื่องเรื่องอสมเกียนะรตินะสมเกียรติอ่าสมเด็จช่วงก็ได้ สมเด็จช sí, no ่วยเรื ud, si? ่องสมเกียรตินี่ก็มีคนคนพูดว่าเนี่ยสมเกียรตินี่ควรจะละควรจะไม่สมเกียรติเลยสุริยุทธสุริยุทธสุริยุทธนะใช่ไหมถ้าพูกที่เป็นพวกที่พวกที่เห็นด้วยสุริยุทธเนี่ยสุริยุทธสวริยุทธใช่ไอมสวริยุทธเนี่ยนะถ้าพูกที่เห็นด้วยสวริยุทธก็บอกว่าไม่ควรละออกไม่ควรจุดจะประกาศข่าวคนเรื่องกันเออแต่พวกที่ คนละฝายก็บอกให้ให้ให้เลิกคือไม่ได้ถามว่ามันควรควรควรหยุดประกาศขา่าวหรือไม่ครับแต่ก็าจะถามว่าสรยุทธเนี่ยพวกเดียวกูเปล่ า, าถ้าพวกเดียวกูประกาศต่อไปถ้าคนละพวกก็หยุดประกาศข่าวสมหรับช่วงเือนงานสำหรับช่วงนี้ไม่ได้ถามเลยว่าสมหรับช่วงเนี่ยนะเรื่องเรื่องข่าวเรื่องกรณีลถลดล ด, ลดนอกก็ดีสังรารก็ดีเนี่ยดูเหตุผลไหมแต่เปล่านะถ้าถ้าเป็นเสื้อแดงก็ ครับก็เชียถ้าเป็นเสื้อเหลืองก็ว่าไม่สนใจเหตุผลแล้วตรนนี้ครถ้ากลับว่าอาจารย์ผมว่าตอนนี้คือการเมืองตรงเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในในตัวตนของคนไทยแล้วแล้วมันเป็นแว่นที่เป็นแว่นที่ใช้ในการมองทุกเรื่อง <teu? S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่เป็นเรื่องมัฒนธรรมศาสนาครับเรื่องดาราครุณมองที่อย่างเป็นการเมืองไมหมดอย่างมอยก็มองว่าไอ้เนี่ยไอ้มอยเนี่ยครับเรืองหรือแดง พวกเดียวกู้เปลาตรงนี้มีโอกาสแก้ไขไม่ได้ก็ให้ให้ให้คุณไปยุดแก้แล้วกันสารปจิบัติมาเพือเรื่องนี้เนี่ยเหรอพระาจารยครับท่านี้มีเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเห็นเห็นพระอาจารย์ช่วงหลังก็มาสนใจเรื่องเรื่องอย่างเช่นอย่างมาทีเนี้ยก็คือสนใจเรื่องนุรักป่าเรื่องชาวบ้านมันมีพื้นฐานนะมันมีพื้นฐานหรือเป็นความขัดแย้ของ ของนักการเมืองท้องถิ่นกับชาวบ้านหรือว่ามีประเด็นอะไรไหมอ๋อป่าเนี่ยต้องมาสนใจมานานแล้วตั้งแต่มาอยู่บ้าเนี่ยตั้งแต่ปีสองก็สนใจเรื่องป่าครับเพราะว่าอยู่ป่าครับอยู่ป่าได้รับประโยชน์จากป่าอาศัยความร่มเย็นจากป่าแล้วจะนิ่งดูตายเวลาป่ามีปัญหาได้ยังไงใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวเรื่องอะไรหรอกมันเกี่ยวเรื่องว่าเราอยู่เขาเราอยู่เขาเราอาศัยเขาเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขามันมีแค่นี้แหละครัทำไมเพื่อเราต้องมีสำนึก ผูกพันรับผิดชอบตัดสินงแวดล้อมใช่ไหมอยู่บ้านจัดสรรก็ต้องแคร์ต้องคอนเซิร์นกับรุ่งบ้านจัดสรรว่ามันเป็นยังไงน้าเน่าไออใช่ไหมมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นถ้าไม่มีเลสอถึงแปลกประจักรสอนเลยในตรงเลยเออมนอยู่กับมันนะอยู่ตรงนั้นก็ต้องดูแลครับแล้วในในช่วงที่พระอาจารย์ทำงานเนี่ยเบื้องหลังก็อาจะเห็นเบื้องหน้าพระอาจารย์เขียนโน่นเขียนนี่ แต่เบื้องหลังก็มีกระแสะกลับมาเป็นยังไงนะฮะหรือว่ามีบุคคลสคัญในการทํางานก็ไม่ค่อยมีนะถ้าประเทเบื้องหลังที่เป็นอสิ่งที่มาคุกคามหรือว่ามารบ ก, กวนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้ามีก็มีแต่เบื้องหน้าแล้วก็คือว่าเขียนอะไปก็ใครไม่พอใจเขาก็ดา่ามั้ยมีใช่ไหมก็มีเยอะ <c oughs> ด่าเดินดอะไรว่าไปเรื่อย <c oughs> <c oughs> มันมีเปรียบเวลาพูดเวลาเขียนอะไรถูกใจพวกเสื้อเหลืองเขาก็เออพวกเสื้อ <c oughs> เหลืองก็เชียเวลาพูดไม่ถูกใจเสื้อเหลืองเขาก็หาวาเป็นแดงนะ <c oughs> เวลาพูดถูกใจเสื้อเหลืองแดงก็หาวเราเหลืองอาตมาเปลี่ยนสีได้ทุก <res> สามเดือนเ่สามเดือนก่อนอาตมาก็ตัง้งคําถามเรื่องสมเด็จช่วงโอ้ยพวกเสื้อแดงดา่าอาตมาได้ <c oughs> แท้เลยแต่วพวกเสื้อแดงเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาแต่ว่าให้ความเห็นได้ทุกเรื่อง ตอนหลังตะมาไปเยี่ยมไผ่ายดาวดินนะเมื่อทพิธีแล้วอ้าวก็ซื้อลืองก็ได้ไงว่าเป็นพวกเสื้อแดงนะครับทั้งที่ผ่ายดาวดินก็เป็นก็เป็นคนที่เคยมาบวชวัดนี้ไงใช่ไหมเข้ามาบวชวัดนี้เขาติดคุกเนี่ยแต่มาเขาก็ต้องไปเยี่ยมเดี๋าว่าแต่ประท้วงอะไรเลยเกิดมีลูกศิษย์ไปฆ่าคนตายถูกจับคุกนะตะถูกจับเข้าคุกตะมาเขาต้องไปเยี่ยมใช่ไหมการไปเยี่ยมไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยกับเขา คนที่ไปเยี่ยมหมอวิสุทธิ์ไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยที่หมอวิสุทธิ์ไปข้ามเมี้ะไรนะใช่ไหมใช่ไหมหมอที่ดูแลฆาตกรที่ถูกตํารวจยิงเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าหมอเนี่ยคุณพูดเดี๋ยวคัดกับกับฆาตกรนั้นใช่ไหมไอ้ผู้ร้ายมันถูกตำรวจยิงหมอทุกคนก็ต้องไปดูแลรักษาใช่ไหมไม่ได้แปลว่าหมอเห็นด้วยคุณพูดเดี๋ยวคัดกับผู้ร้ายครับคือเดี๋ยวนี้คนเนี่ยไม่ไม่ไม่คิดแบบนี้แล้วคิดแต่เพียงว่า การเมืองเนี่ยถ้าคุณช่วยผู้ร้ายที่บาดเจ็บแสดงว่าคุณเป็นผู้เดียวกับเขามันไม่มีเรื่องมนุษยธรรมถ้าคุณไปเยี่ยมนักโทษแสดงว่าคุณอยู่ด้วยวกับเขาไม่สนใจแล้วว่าไอ้นักโทษกับเราเนี่ยมันแค่เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันใช่ไหม <S <S เขาจะไปฆ่าคนตายที่ไหนเนี่ยเขาติดคุกเราก็ต้องไปเยี่ยมครับใช่ไหมมันเป็นเรื่องสามัญสำนึกธรรมดาแต่ในนี้คนไม่มองอะไรนี้เนี่ยทุกอย่างเป็น politically correct เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคำว่ามนุษยธรรมแล้วก็คนเหล่านี้ก็เป็นเรื่องการเมืองเป็นบแยกซ้ายแยกขวาแยกอะไรไม่รู้อะถ้ากิดว่าตอนนี้เนี่ยคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยมันขาดในสังคมขาดไป ม, ม, มากขาดไปมากยกตัวอย่างเช่นมีคนพูดเรื่องโรฮินญาว่าควรจะช่วยเหลือครฮิงญาใช่ไหม ถ้าเกิดคนที่พูดตัวหิน ญ, ญาเนี่ยเป็นเหลืองนะไอ้แดงก็ดา่าถ้าคนพูดที่เรื่องโรหิน ญ, ญาเนี่ยเป็นเป็นแดงไอ้เหลืองก็ด่าแค่นั้นเองอเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยรักษาป่าเนี่ยก็จะดูว่าคนพูดเป็นใครถ้าคนพูดเป็นเหลืองส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นมันจะเป็นมันจะมีเดี๋ยนี้ประเด็นเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นหลืองหรือเป็นแดงในสายตาคนทั่วไปถ้าคุณพูดเรื่องเสลปวภาพเรื่องความยุติธรรมเรื่องประชดไตายเนี่ยแสดงว่า ให้คุณคุณพูดเนี่ยคือแดงถ้าใครพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคอร์รัปชันนะแสดงว่าไอเนี่ยเหลืองจะให้บุมมองใหมมดเลยใช่ไ่ะให้บุมมองใหม่เลยนะเออดินี่ลองดูสิถ้าใครพูดเรื่องเสรีภาพสิเสรีภาพปใช้ไตความยุติธรรมนะสิ่งชนนะไอเนี่ยแดงพวกเหลืองก็จะด่าใครพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องเนี่ย เรื่องอรัปชันนะไอ้นี่แดงไอ้นี่เหลืองแน่เลยแดงก็จะไปด่ามันเป็นตื้ออ่อนไหมไม่คือทุกประเด็นตอนนี้อรรมบ่าแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาถูกโพลิติไซส์หมดครับทุกอย่างเนี่ยถูกมองด้วยผ่านแว่นเหลืองและแดงใช่ไหมโรฮิงญาเนี่ยคนพูดเนี่ยนะอ่าเป็นเหลืองอ้าคนพูดเนี่ยจะเป็นแดงครับหรืออาจจะไม่ใช่แดงแต่ว่าถูกมองว่าเป็นแดงใช่ไหมพวกนี้เห็นด้วยว่าดูเอ็นคุณเข้ามาส่วนใส่ใจ ช่วยเหลือกดดันให้รัฐบาลไทยยอมรับช่วยเหลือคนโรฮิงญาพอพูดเรื่อง UN อนี่นะแสดงว่ามึงแดงแล้วเหลืองก็จะลุ่มถลม่มใช่ไหคือทุกประเด็นตอนนี้เนี่ยมันถูกแบ่งแล้วว่าประเด็นไหนเป็นเหลือเป็นแดงแล้วตอนนี้ในในในใ น, ในกลวิธีของพระจารย์ในการที่จะสรบสารออกไปพราจารย์คิดว่าต้องระวังระวัง ก็พูดด้วยพูดไม่ต้องด่าใครไม่ต้องประชดประชันใครพูดตามเนื้อหารุนรุนพยายามปลูกเอาสํานึกในส่วนดีของเขาชิดขึ้นมาเพื่อจะมาเชื่อว่าทุกคนนะไม่ว่าเหลืองแดงหรือไ ม, ไ, มไม่เหลืองไม่แดงทุกคนมีความดีมีคุณธรรมทํางานเราจะปลูกปลู ก, ลกเอาส่วนนี้ออกมาจากจากใจเข า, ขาการด่าไม่ได้ช่วยาการเสียดสีเย้ยหยันไม่ได้ช่วยครับนะ เอาความทุกข์ของคนออกมามาตีแผ่เพื่อมันจะได้เห็นไม่ได้เรียกร้องดึงดูดมโนธรรมสำนึกของผู้คนเข้ามาเราจมาเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยนะมันมีความรู้สึกตรงนี้อยู่อ่าทีดีย้อนกลับไปที่สติวิธีพระอาจารย์คิดว่าถ้าจะให้ให้แนวคิดเนี่ยมันมันมันไปเผยแพร่มากๆแล้วก็ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลดลดความผัดแยง้งหรือทำให้การเดินของบ้านเมืองไปได้เพราลคิดว่ามันจะต้องสร้างเงื่อนไขหรือต้องทำอย่างไรอ๋อไม่ต้องต้องอธิบายก่อนว่ า, ส, ววาสันติวิธีเนี่ยมันเวิร์คคนมักจะมองสันติวิธีเนี่ยไม่เวิร์กนะมัน ค, ค, คือมันมีมายาภาพเกี่ยวสันติวิธีอยู่ว่าถึงสันติวิธีนเนี่ยเวิร์คสองอ่ มันประหยัดกว่าเสียเสียมันมันสิ้นเปลืองน้อยกว่าไม่ว่าจะมอญนี้ของความสูญเสียเป็นชีวิตความเจ็บปวดหรือว่าทรัพย์สินคนะคือต้องทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยและสามสันติวิธีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะชนะทุกครั้งก็เมื่อความรุนแรงเนี่ยความรุนแรงก็ไม่ได้แปลว่าชนะทุกครั้งครับเวลาต่อยมวยนะทุกคนก็ใช้ความรุนแรงใช่ไหมครับแต่มันจะต้องมีคนหนึ่งแพ้และคนหนึ่งชนะ ตอนนั้นเนี่ยผู้อยญ่เนืงความรุนแรงเนี่ยมันกาลังตีชัยชนะได้แค่ 50% คใช่ไหมสันติวิธีเนี่ยมันก็อาจจะวินวินทัคน้คู่มันก็อาจจะไม่สําเร็จในทุกกรณีครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะวินวินได้ครนะรแต่ถ้ามันแพ้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องว่าไม่ได้หมาวามว่าถ้ามันแพ้หนึ่งครั้งแปลว่าสันติวิธีไม่ไม่เวิร์กก็ต่อยมือบางทีต่อยมือบางคนต่อยมือก็ยังแพ้เลย เวลาต่อยมือแพ้ไม่แปลว่าว่าการว่าการใช้ความกําลังเนี่ยมันไม่เวอร์นะครับแต่สันติวิธีมันมันมันจะเวิร์กว่าและมันต้องมีความสูญเสียนะสันติวิธีเนี่ยทําแล้วถูกตีเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันล้มเหลวนะ่รับมีคนบาดเจ็บคพอสันติวิธีไม่ได้แปลว่ามันล้มเหลวคพราอทําทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีคอสมันต้องมีความสูญเสียแต่สันติวิธีสูญเสียน้อยกว่าเรวก็ต้องทําให้เขาเห็นตรงนี้ แล้พวพอเขเห็นแล้วเนี่ย เ, เขาก็ต้องอก็ต้องพยายามขาพูดว่าสันติวิธีเนี่ยมันมีหลายแบบมีหลายวิธีและสันติวิธีมันไม่ใช่หมายถึงแค่เฉพาะการไปประท้วงสันติวิธีมหมายถึงการที่คุณสร้างกติการสร้างระเบียบเพื่อที่จะทําให้ความขัดแย้งเนี่ยมันที่คลายด้วยด้วยการเจรจาหรือด้วยสันติวิธีไม่ใช่ด้วยการใช้กําลังบางทีก็เหเจรจาบางีก็เบิร์กีรอบไม่สําเร็จใช่แต่สันติไม่ใช่การเจรจาแต่สันติวิธีมันมีความหมายมากกว่านั้น อย่าไปคิดว่าสันติวิธีล้มเจรจาล้มเลยเพราะสันติวิธีล้มแล้วมันมีวิธีการต้องยึดอย่างนีที่เรียกว่าสันติวิธีครับซึ่งอันเนี้ก็ต้องให้ต้องทําความเข้าใจและให้ความรู้มันมีขนาดผมเชืติว่าเหมือนว่าปัญหาเล็กกลางใหญ่อย่าเงี้ยอาจจะมีผลไปใช้สันติวิธีบางทีปัญหาบางเรื่องมันเป็นปัญหาเรื่องของอะไรครอย่างเช่นที่เราเห็นเนี้ยเรื่องกลุ่มการเมืองที่ยังคิมล่วงหน้าอ่เงี้ยแล้วก็ใส่พลังบอลชนมามาอย่างเงี้ย ทำให้การเจรจารด้วยสัญิวิทีมันทไปได้ด ย, ยากก็อย่างที่บอกนะการเจรจาแม้การเจรจ า, ร า, ร เ, จรจารเป็นแค่สัญิวิทีแบบหนึ่ง แ, บบแต่ว่ามัน ม, ม, มีสัญิวิทีหลายแบบใช่ไหม <road> ซึ่งบางครั้งเนี่ยการทีอ่อย่างทานทีเนี่ยนะสมัยตอนท้ายๆเฉงชีวิตเขาเนี่ย มันก็มีความขัดแย้งระหว่างศาสนาฮินดูกับมุสลิมฆ่ากันครับพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหยุดสันติวิธีทันทีก็ไม่พูดแล<ะ>้วกูทหารเลยัท ห, หา ร, ราหวันสิบวันเป็นถึงสิบวันบอกว่าโคตรกันเลิกครนะเพราะว่าไม่อยากเห็นขานธ์ทีตายอันนี้ก็เป็นสันติวิธีนะครับซึ่งมันมันมันเป็นมากกว่าการพูดการขอร้องใช่ไหมแต่ไม่ได้หมาวาม่าอุตสาหจะเวิร์กทุกกรณีนะ มันก็สำหรับในกรณีสังคมไทยเนี่ยอัตมาว่ามันก็ต้องใช้วิธีอื่นนะที่จะทํางาน ท, ที่จะทําให้คนเนี่ยเกียรติชังกันน้อยลงนะตัดบทคนี้มันครับตรงเลยน ะ, ะเกียดติชังกันน้อยลงความเกลียรติชังส่วนหนึ่งมันเกิดจากความการสร้างภาพที่คาดเคลื่อนจากความจริงเพราะความไม่รู้ความไม่ความไม่รู้ด้วย <ค>แต่ <คน S 2> ถ้าแบบพูดลงลึคือความไม่รู้ความเข้าใจผิดครับนะแล้วก็มันก็มีความพยายามที่จะปล่อยเผยแพร่ความไม่รู้เข้าไปรจริงๆถึงที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของถ้าทางพุทธศาสนาหมอนั้นมันเป็นเรื่องของการยึดติด ถ, ถือมั่นในทิฏฐิหรือทิฏฐุปาทานโอ้ทิฏฐุปาทานพอยึดมั่นในทิฏฐิเนี่ยนะมันก็จะยอมไม่ได้ที่คนเห็นต่างจากเราบางทีพ่อแม่ก็ตัดลูก นะเพราะว่าไอ้ลูกกับพ่อแม่เนี่ยคิดคนละอย่างใช่ไหมรหรือว่าตัดเพื่อนอันนี้มันแปลว่าปล่อยให้ความคิดเข้ามาครอบงำพอความคิดมาครอบงำเราเนี่ยความคิดมันก็ใช้เราเนี่ยเพื่อกำจัดความคิดที่ต่างความคิดความเห็นต่างใช่ความคิดเนี่ยมันก็ไม่มีอำนาจในตัวมันเองหรือมันมีชีวิตของมันเองนะ พอมันพอมันครอบงำเราได้นะมันก็สั่งเราให้ไปจัดการคนที่คิดต่างโดยที่เราไม่รู้ตัวแม้คนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนครับถ้าคิดต่างจะกลัวกลัวไปใช่ว่าอันนี้แสงว่าเป็นตกเป็นท่าของความคิดแม้จะเป็นความคิดที่ดีนะเช่นเป็นพุทธอ่าเป็นพุทธนะดิสมันถือว่าในความเป็นพุทธมากครับกูก็ไม่คบเพื่อนมุสลิมคบแล้วไป หลายคนที่เป็นมุสลิมพอยึดติดในความคิดมากก็ไม่คบเพื่อนที่เคยเป็นพุทธใช่ไหาอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกปาทานนะความคิดมันเข้ามาเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างราะนี้นอันตรายแล้วคนเรามีนวำนันที่จะิยึติ ก, กับทฤษฎีอุดมการที่มันดีมันพิเศษยิ่งดียิ่งเสียทายคนก็ยิ่งหลงติดมันง่ายแล้วก็ ทางุศาสนาเนี่ยคุณยึดติดอะไรเนี่ยเป็นโทษทั้งนั้นมายึดติดในพุทธศาสนาครับพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปยึดติดแม้กทั่งความหของพระองค์ครับคําสอนพระองค์เนี่ยให้ถือว่าเป็นเหมือนแผ่ที่เอาไว้ข้ามฝั่งข้ามฝั่งเสร็จแล้วเนี่ยให้เดินขึ้นฝั่งเลยอย่าแบบแผ่ไปด้วยนะว่าในคนที่แบกแผ่ไปด้วยเสียงมันโง่แล้วครับพุทธเจ้าบอกเนี่ยทำของเราเนี่ยนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนับภาษาอะไรกับอกุโสรธรรมเนี่ยครับแต่ว่าคนเราจะยึดติดอะไร งมงแงมเท่ากับความยึดติดในสิ่งที่มันดีเนี่ยครับความคิดที่ดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดติดมาเท่านั้นเพราะมันไปส่งเสริมตัวกูว่าไอ้กูนี่มีความคิดที่วิเศษประเสริฐเวย้ยนีจริงใช่ไหมใครจะยอนลอกกูใครจะยอนลอกกูไป น, น, นับถือความคิดที่เลวนับถือความคิดที่เลวกูไม่อยากจะนับถือเราเนี้ยเดี๋ยวมันตัวกูภาพพจน์กู ม, มันแย่กูต้องนับถือความคิดที่ดีใ่ไพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่วิเศษสุดในโลกโอ้โหก็ยึดติดเข้นไปเลย เราก็ทนไม่ได้ที่าศาสนาอื่ น, นะโผล่เข้ามาอันนี้เป็นอันตรายของที่ถุกพาทานซึ่งเป็นมากในเมืองไทยตอนนี้พระอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นมากขึ้นเมื่อเมื่อเทียบกับแต่ก่เป็นมากขึ้ น, นใช่ไหมฮะใช่นั่นคือสิ่งที่เราเห็นทําให้ทําให้แต่ละคนมีมีอัตรามีตัวตนตัวเองเยอะมากจนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็แล้วไม่รู้ตัวว่า ตอนนี้เรากาลังเป็นท่าของความคิดที่มีอยู่ในหัวครับแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาไอ้ความคิดนี้เอาไว้ครับหรือทําให้ความคิดนี้มันแพร่กระจายไปครัทางเฟซบุ๊กทาอะไรด่ากันทะเลาะ ก, กันก็เพื่อไอ้ตัวนี้ต่อสรองตรงนี้มันเหมือนไว้รัสที่มันมันมันยึกคลองจิตใจเราแ ล, แล้วมันก็พยายามแพร่กระจายไป แก็ตอนนี้พระอาจารย์อย่างแบบเขียนบทความลงในก็เขียนอยู่นะเขียนอยู่ก็แต่ว่าบางเรื่องก็ก็เบื่อที่จะเขียนแล้วเพราะมันเป็นเหมือนกับแผงเสียงตกลงครับตอนนี้พูดไปมเหมือนแผงเสียงตกลงอาจารย์พูดเรื่องอะไรเยอะนะครอ๋อก็พูดเรื่องอื่นบ้างมีเรื่องอะไรต้องพูดเยอะเรื่องธรรมะแต่การพูดเรื่องว่าอย่าไปยึดติดถือมั่นให้ใช้สันติวิธีอย่าไปโกรธเกลียดกันใช่ไหม พูดแนี้มันพูดบ้างก็ก็เบื่อแล้วเบืเอ่อแล้วแล้วมันมาแทนเสียงตกลงเนี้ยก็เลยเพูดเรื่องอื่นดีกว่าครับผมขอโทษนะคุณบผคนถามเรื่องเขียนสินค์ที่ท่านเขียนเนี่ยนะท่านบอกว่าสื่อสื่อการพูดการเขียนใช่ไหมท่านในความความอะไรความสนใจเรื่องอะไรการการเขียนมากกว่าถนัดถนัดถนัดมากกว่าอ่ทีนี้ผมขอถามเรื่องคุณนานของท่งงนะงานในด้านการเขียน ค, ค, คนรับมกกีเล่มไ ห, หนบ้างครับ ที่ตั้งเียงว่าที่พวกผมหรือพวกคนที่ควรอ่านมากที่สุดก็ที่ใช้เวลานานหน่อยคือพุทธศาสนาไทยในอนาคตนะอ่าอีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็สองสว่างทางไทยไอ้พวกนี้เี่ยพูดเรื่องสันติภาพสันติวิเชียร์อะไรก็อยู่ในเล่มเนี้เล่มหลังสองสว่างทางไทยพูดเรื่องความคิดแบบพุทธซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนะ นับการนักสื่อพุทธศาสนาเวลานี้มันทาดเคงขึ้นไปเยอะยิ่งถือพูดยิ่งเห็นกับตัวนก็เยอะก็มีเนี่ยแ ล, แล้วก็พวกที่พวกที่ด่าเด้ออะไรก็ น, นี่นะ <c oughs> เป็นพวกที่ถือพุธก็ไม่เยอะก็ไม่น้อยเลยหรือว่าเราเข้าใจเรานับถือพุธแต่ไม่เข้าใจพุทธะไปไม่ถึงไปไม่ถึงนับถือได้คือนับถือแค่ตรงนี้เราบอกเราเป็นชาวพุทธปั๋ว คือรู้เนื้อหาแต่ท่าทีเนี่ยไม่ไม่ถึงคือทุกกระต ом การนะทุกความทุกศาสนาเนี่ยมันมีสองอย่างเนื้อหากับท่าทีครับไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องเนื้อหาเนี่ยจับได้ครับแต่ท่าทีเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาพุดรู้หมดแต่ท่าทีไม่ใช่พุทธไม่ใช่พุทธใช่ไหมครับด่าใครที่ขี้ต่างเกียดมุสลิมเนี่ยไอ้พู้ที่เกียดมุสลิมเนี่ยนะพูดทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมแต่เกลียดระแวกข่อยเขาหลือเกลียดมุสลิม มันไม่ใช่ไม่ใช่พูดแล้วเนี่ยพูดมันพูดมันต้องไม่ปล่อยข่าวลือไม่ไม่ไม่เผยแร้ความเช็ต ใ, ใ, ใ, ในในในในในลายนี้นั้นมีความเชื่เกี่ยวกับมุสลิมเยอะที่ออกมาจากชาวพุทธพระอาจารย์เคยเคยเข้าไปเขียนให้เห็นเห็น<า>ก่เรื่อง<ล>นี้ก็พูดเหมือนกันนะอย่าไปยึดติดถือมั่นกับพุทธศาสนาก็พูดเล้ก็ไม่ฟัง ในสังคมไทยในขณะนี้มีความขัดแย้งแตกแยกอาจารจะได้ใช้สันติวิธีได้หรือไม่และใช้อย่างไรคือถ้าไม่ใช้สันติวิธีมันก็ยิ่งแตกแยกยิ่งยิ่งรุนแรงกว่านี้มันต้องใช้สันติวิธีนะแต่สันติวิธีทุกวันนี้มันต้องยกระดับนะคือทุกวันนี้ที่ด่าๆกันก็ด่าโดยด่าไปสันตินะแต่ว่าข้างในใจมันไม่สันติไงใช่ไหมในการด่ามันก็เป็นสันติวิธีแบบหนึ่งนะ อย่างน้อยมนก็ไม่ใช้กําลังเห็นค่ากันแต่ว่าข้างในมันไม่สันติคือมันมีความกบความเกลียดแต่ว่าต้องใช้เพราะถ้าไม่ไม่ใช้เนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งเรียกว่ายิ่งผู้ภาษาชาว บ, บ้านคืออาชิดหายมากกว่านี้ใช่ไหมตีเราต้องเข้าใจสันติวิธีคืออะไรอาตมาคิดว่าสิ่งต้องมีนะคือขันติธรรมและเมตตาธรรมเนี่ย คันธิธรรมคือความใจกว้างยอมรับความเป็นที่แตกต่างตัวนี้คนเราก็เออคนเรามีสิทธิ์ที่จะแตกต่างกันคู่กันเป็นเป็นท่องจำไปแล้วแต่ป็นรับแต่ว่าสิทธิของเขาเนี่ยมันเป็สิทธิทางกฎหมายแต่สิทธิที่เราควรจะมีคือการที่เจ้าตัวเนี่ยยอมรับที่จะฟังความเห็นที่แตกต่างจากตัวอนุญาตที่จะให้คนอื่นคิดเห็นแตกจากตัวได้ไม่ใช่อนุญาตเพราะกฎหมาย รับรองแต่ใจเราเนี่ยอนุญาตที่จะที่จะฟังหรือที่จะให้เขาพูดในสิ่งที่ต่างจากเราส่วนใหญ่เวลาวลา่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเรายอมเราเราเห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแต่ใจเราเนี่ยเราไม่ยอมรับคนที่คิดต่างจากเราซึ่งถ้าเรายอมรับคนที่คิดต่างอย่างเรานี่นะอย่างน้อยน้อยเนี่ยไม่หมอว่าเขาเลวเนี่ยอาจจะมาว่ามันก็จะนำไปสู่การ สื่อสารกันที่ดีได้อืแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมรับคือด่าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ด่าไว้ก่อนครับคือสงสัยทําไมคือไม่เห็นด้วยทําไมต้องด่าแค่นั้นแหละใช่ไหมไม่เห็นด้วยทําไมต้องด่า <c oughs> ก็แค่แสดงความไม่เห็นด้วยก็พอ <c oughs> ใช่ไหมคือไม่เห็นด้วยเราก็ต้องชี้แจงใช่ไหมหรือโต้เถียงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ข้ามจุดนี้ไปแล้วไม่เห็นด้วยก็ด่าเดี๋ยนี้เป็นทุกที่ ไม่ได้ไม่ได้ด้วยเหตุผลแล้วไม่ได้ไม่ได้ชี้แจงไม่ได้อธิบายไม่ได้โต้แย้งด่าก่อนเนี่ยนี่สื่อเป็นเพราะโซเชียลมีเดียนะคือมันเร็วแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจอกันแล้วพูดผ่านผ่านเนี้ยผ่านสื่อเนี้ยแหละว่ากันไปว่ากันมาส่วนนึงเพราะมันเป็นนิรนามด้วยคือถ้าถ้าเจอกันอย่างเงี้ยมันคิดด่ากันน้อยลงใช่แต่เพราะไม่เห็นหน้ากันก็เหมือนกับต่อยกันนะถ้าต่อยกันเนี้ยนะมันมันไม่ค่าต่อยนะแต่ถ้ากดปุ่มนะอ่ฮะ กดปุมฆ่ากันนะเพรับมันกดปุ่มกันเลยเทะเลยเพราะไม่เห็นตัวไงใช่ัหมคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะฆ่ามันต้องเห็นตัวใช่รับแล้วก็พบว่ า, นานเนี่ยทหารนี่นะเวลาจะยิงกันเนี่ยนะก็ในสงครามโลกที่หนึ่งที่สอ ง, งนะส่วนใหญ่นะยิงขึ้นฟ้าครับอเมริกาเนี่ยพบว่าทหารตัวเ น, นี่ยในสงครามโลกที่สองเนี่ยยิงขึ้นฟ้ากว่าครึ่งคเพราะอะไรมันเห็นตัวมันฆ่ากันไม่ลงนะ แต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องยิงขึ้นฟ้าแล้วมันใช้โดรนเนี่ยยิงถล่มลงไปใช้เครื่องบินเออเครื่องบินมันก็ไม่เห็นคนใช่ไหมมันก็ถล่มไปมันก็ไม่เกิดความสึกผิดเท่าไหร่ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลานเห็นหน้ากันเนี่ยมันทําร้ายกันได้ยากครัใช่ไหมแต่โซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนตอนนี้เนี่ยเนรนาญเนี่ยไม่เห็นหน้ากันครับก็ใส่กันหรือว่าหรือว่าไม่รู้จักกันมีคนมีฝรั่งก็ถามเขาตั้งคำถามว่าคนไทยนี่นะ เือรวมงาเขาแต่ละคนเนี่ยดีทั้งนั้นเลยน่ารักนั้นเลยแต่เวลาขับรถนะนี่สายเปลี่ยนเลยเป็นคนละคนเลยกดแตรด่าเขาถามว่าทําไมเป็นอย่างนี้ยคนไทยคําตอบคือว่าเวลาอยู่ในรถเนี่ยนะมันเป็นโนบอดี้แล้วไม่มีใครเห็นเราอและไอ้คนที่อยู่บนถนนก็ไม่เราก็ไม่รู้จักครับคนไทยเราเราไนท์เวลารู้จักกันเห็นหน้ากันครับแต่ถ้าไม่เห็นหน้ากันนะกูเต็มที่เลยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมก็อยู่บนอยู่บนรถเนี่ยเขา คนอนื่นก็ไม่รู้จักเราครไอข้างหน้าเราก็ไม่รู้จักเขาครับแล้วจะนายเคยทํทำมาก็กดแปร์ปาดหน้าครับแต่ทําไมทํำงา น, นเราถึงอย่างเออถึงไม่ไม่เห็นหน้ากันนะแต่ว่าเรายังยังมีคุณธรรมมีความเออเฟือกันพาอจางพูดตรงนี้ผมนึก ค, คาว่าพวกพวกฉันก็นายก็นายทาไม่ใช่พวกชันใครก็ไม่รู้ละก็มายุ่งด้วยยุ่งไม่เออ้วย เ, เ, เออเฟือด้วยออจำฮะ อเวลาถ้าเป็พวกกันนะครับกินข้าวกูออกเออกให้เพื่อนใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไม่ใช่พวกกันนี่ต่างคนต่างชิ่งเวลากินข้าวโหชวนไม่ยอมให้เพื่อนจ่ายนั่งกูจะจ่ายใช่ไหมเมตตามากเลยอาจาระท่านอาจารย์บอกว่าในการสื่อเรื่องสันติวิธีไปสู่สังคมภายนอกใชครับ ก็โดยการเขียนแล้วก็โดยการอบรมสื mm hmm. ่อโซเชียลนี่ก็อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ผลนิดน้อยใช่ไหมคะพ่อคนณมีทวารู้สึกว่ามันจะเป็นเข่ารัวตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ปัญหาหลักคือคนไม่อ่านหนังสืออ่านอ่านในโซเชียลมีเดียเนี่ยอ่านกัอนอโซเชียลแต่ <c oughs> ว่าหนังสือหรื อ, ร อ, ร อ, รองานเขียนของเราเนี่ยคนไม่อ่านเนี่ย <c oughs> แล้วก็อาจารย์จัดอบรมไว้แ หรืจะเ้อไม่ทีมีอื่นก็เดี๋ยวนี้จริงนะคนเนี่ยรับฟังอัตามาเนี่ยผ่านผ่านสื่อยู u ูปผ่านผ่านเสียงนี่เยอะมากเลยอัตามานี่นะไม่ถนัดการพูดเลยนะแต่มาถนัดเขียนแล้วก็คนกรากฏว่าคนไม่ค่อ ย, ยอ่านไม่ค่อยอ่านสือส่อจะมาเขียนเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ไปฟังฟังที่อัตามาพูดนะเยอะซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของอัตมาเลย ใช่ไมาอาตมาพูดเนี่ยบางทีพูดก็เยอนเยอะไม่รัดกุมพูดไม่น่าฟังไม่กระชับไอเ้เขียนในหน้าตมาเนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าคนไม่ไม่อ่านฟังเยอะแล้วก็ดูเยอะเดี๋ยวนี้ไปเจอเขาก็จะพูดกันออนได้ฟัง Youtube ไอ้ดูดู Youtube ได้ฟังเทปหรือว่าได้เห็นได้ได้ฟังทางอมรินทร์ทีวีเนี่ย เป็นอย่างนี้ยซึ่งอธรรมาก็ไม่รู้ทําไงนะเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่จุดแข็งอธรมาเลยก็ก็ทํางไงได้อันนั้นเป็นนิสัยคนไทย <c oughs> ก็สิ่งที่ออกมาทางนี้อะและว้วมันมันก็เลยเป็นและส่วนใหญ่พูดเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสิ่งที่คนได้ยินอธรรมามัตอนเล่หลังก็เป็นเรื่องธรรมะนั่นแหละอสวิธีนี่ไม่มีแล้วไม่ค่อยได้ได้เห็นเพราะส่วนใหญ่ธรรมาเขียนมากกว่า ก็ช่ว ง, งนี้พระาจารย์ยังมีเป็นคณะกรรมการในในชุดต่างๆไม่มีนะไม่มีแล้วก็เป็นแค่กรรมการมูลนิธิ<ม>ปรมลออหลายแห่งสุขภาพไทยสันติวิถีประมาณสามสี่ 3, แห่งหและสถาบันพวกนี้ยังมีบทบาทมีมแต่ น, น้อยพุทธการมีคึกคักหน่อยแต่ว่าส่วนให ญ, ญ่เป็นเรื่อง ธรรมะเรื่องเตรียมตัวตายครับทีนี้ออกไปทางนี้เยอะครับออกไปนแนวธรร ม, มะเยอะซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่เท ม, มาก็ให้ความสําคัญอยู่นะอย่างที่เตมาว่าการเมืองเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนครับต่อสู้เพื่อใช้ตาไปเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นเผด็จ ก, การใหม่นะมันก็โอเคต่อสู้ไปดีแล้วแต่ว่ามันไม่จีรังยั่งยืนเรื่องธรรมะนี่มันเรื่องธรรมะเออมันมันคงคงอยู่นานกว่ายืนนานกว่า ผู้รับสารนี้กอนนี้มีได้กลุ่มเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นนะผ่านผ่านโซเชียลมีเดียผ่านไอโกนิยูทูผ่านสื่อพวกเนี้นะคุณรักษารท่านพอจะรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองเป็นคนในเมืองเป็นพวกโปอร์เฟชั่นเนลวิชาชีพนักวิชาชีพประชาชนแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงพวกเนี้โซเชียลมีเดีย แต่อย่างส่วนใหญ่เฟังทางเว็บฟังทางหรือดูทาง y ยูทูบอะไรเนี่ยแล้วก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้หญิงเ0จติเกจติแปดสิเปอร์เซ็นต์อะผู้หญิงทุกเยอะหรือเปล่าคะผู้หญิงสนใจธรรมะมากกว่าเดี๋ยวนี้เอ o นีอนี่ก็ผู้หญิงก็เยอะเจ็ดปิปอร์เซ็เลย ผู้ชายไม่รู้ไปทําอะไรอยู่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราต้องลากกันวันหนึ่งติดยาบาเกเลหนึ่งแม่ก็มาติดกุ๊กก็ปวดๆดีครับพอใจแล้วทํามากินทํามากินก็เยอะนะครับมันอาจจะแต่เห็นเห็นในทุกวงการเพราะว่าพอเข้าไปในสังคมเนี่ยผู้หญิงจะมันเจ็ดส่วนแปดส่วนไม่แต่การเรียนการศึกษาพอเรียนเนเนี่ยเข้าประถมเนี่ยพอๆกันฮะ แต่พอไปจาก ม, มัธยมป๊อกเริ่มเปลี่ยนแหละพอมาอไหลนี้ผู้หญิงเจ็ดผู้ชายสามสิบในออฟฟิศก็จะสังเกตอย่างนั้นอเมริกาก็แบบนี้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในหลายไหลบผู้ชายก็คแค่ไฮสคูลแล้วก็เกเร <c oughs> แล้วลออกจากระบบไปอาจจะไปอยู่ในพุกเยอะก็ได้กนะับอันนี้นามีอะไรเพิ่มอีกไหมก็โครงการของ คุณธรรมนะคะธรรมะหลาให้ธรรมะดก่แม่ทาไมอ่ะก็ผู้หญิงทุกเยอะนะคะเข้าวัดเยอะเพราะฉะนั้นการสอนผู้หญิงท่านบอกว่าง่ายกว่าเมื่อแม่มีธรรมะเมื่อแม่มีธรรมะลูกก็จด้ไม่การสอนธรรมะง่ายเิ่ต้นจากพี่บ้าแล้วก็ให้แม่ก็าศึกษาเาฉะน้ที่สมตมิ